ก็ไม่ทราบอะไรก็แสดงมันเลยอยู่ตลอดเวลาแต่ขณะที่พิจารณาก็ยังยังไม่ทราบว่าตัวเองพิจารณาวิถีเป็นแต่เพียงว่านี่มันอะไรนาเป็นความสกอของใจสงสัยฉะนั้นแล้วก็ยังดิ่งลงไปที่นั่นทําความสนใจในจิตนั้นพิจารณามันเป็นยังไงไปยังไงมายังไงแล้วมันก็ไปถูกสุด เขาไม่รู้ชื่อน่ะอะไรกันน่ะมิจาจาอวิชาที่แท้จริงกับชื่อมันผิดกันเพียงเป็นกระแสกระจายไปทั่วโลกนั้นมันเป็นจริงก้านพอยังเราไปหาจับต้นผู้ได้นี่ไปจับกระทัยได้แต่สมุนมันทั้งกับคนนายก็เป็นสมุนของมันกับคนนายก็เป็นสมุนของมันไม่ทราบว่านายมันอยู่ที่ไหน กลับมามากลับเข้าไปกลับเข้าไปตีกระล่องไปถึงเรียกว่าล้อมทุนที่ฐานะที่มีกําลังมีจํานวนมากแล้วมีกําลังพวกก็มีกําลังมากบางคนต่างอาศัยกันก็มีกําลังกันสมรรถนะที่นอกจุดที่จนอยู่จนที่จนอาศัยอยู่ จับคนนี้มัดคนนั้นเข้าไปมัดกันเอาไปตามตามธรรมดาโจรมันจะไม่บอกว่าใครเป็นนายของมันแต่ใครเป็นโจรก็มัดมันไปหมดนะจนไม่ให้มีเหลือสักคนในวงล้อมนั้นคนสุดท้ายน่ะจะจะเป็นนายของโจรคนสุดท้ายมันมันจะอยู่มันจะอยู่ในในที่สําคัญ คือสามวนทรงจนจะต้องรวมรอบขอบคิดรักษาไว้อย่างดีอย่างดีทีถูกกลับเข้าไปเป็นหนักๆเข้าจนถึงอุโมงค์ที่จนอยู่ที่หัวหน้าจนอยู่เนี่ยก็ฆ่าหมดไม่มีใครเหลือในที่นั้นแล้วมันก็ชัดชัดขึ้นอีกทีนึง อันนี้เป็นตกแก่รูปอย่างนี้มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมันก็เป็นขณะแห่งความหลงไม่ว่าทั้งยงทั้งดีทั้งชั่วมันเป็นเรื่องของอภิญญาสิ่งกาลของอภิญญาเท่านั้นแต่ตัววิชาญจริงไม่มีพันอุบายวิธีกิริยาต่างๆจึงเปรียบคล้ายกับเปรียบอุปมาก็เหมือนอย่างเรา เวียดนามเปิดออกกลางถ้าน้ํามันมีจํานวนมากปลาก็มีอยู่จํานวนมากน้อยก็ไม่ครับเวียดนามออกคือน้ํามันแท้มันไปเป็นน้ําหนักน้ําหนักปลามันก็รวมตัวกันเค้าไปรวมเข้าไปตัวไหนอยู่ที่ไหนก็วิ่งลงในน้ําวิ่งในน้ําน้ําก็ถูกดิ้นออกเรื่อยๆดิ้นต่อไม่ได้ปลาเค้ารวม แต่ไหนนี่แต่ไหนก็มองเห็นเพราะหน้ามันแหงนขึ้นไปผมสึกทายเมื่อน้ํามันมีแล้วตาก็มีที่จุดปลิกก็จับได้มีที่ว่ามีเสียงเป็นรถเครื่องทําผักกับอาการทางจิตที่มันคล้าเข้ากันมันก็เหมือนกับน้ําที่ปกคลุมอ่าน้ําที่มันเป็นที่อาศัยของการ การพิจารณาสิ่งนี้มันไม่ได้หมายจะเอาเหมือนกับคนที่ดื่มน้ํามันไม่ได้หมายจะเอาน้ําแต่หมายจะเอาปราศนะการพิจารณาก็ไม่หมายจะเอาสิ่งเหล่านี้แต่ให้รู้สิ่งนี้เป็นลําดับลําดับพอรู้ไปในไหนจิตก็หายกังวลรู้ทั้งสิ่งที่ไปเกี่ยวข้องรู้ทั้งตัวเองผู้ไปเกี่ยวข้องว่าเป็นผู้ผิดเป็นความเห็นผิดของตัวจินไปหลงรักของทางในสิ่งนั้นนี่มันก็แคบเข้ามาแคบเข้ามา มันก็มันนามเห็นเข้าไปนี่ก็ยังนามในธาตุในขันธ์อะไรมันก็เหมือนกับสิ่งทั่วๆไปภายนอกมันไม่มีอะไรแปลกมันก็เป็นด้านวัตถุถ้าพูดถึงเรื่องธาตุก็เป็นธาตุอันเดียวกันยืนเอกาธิกอาการของผิดที่แสดงตัวเราไม่มีไปไหมอันนี้มันก็ อันตรายเป็นจริงการของอเมริกาแต่มันจะเข้าประหัสส่วนใดพิจารณาเห็นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องชัดเท่าไหร่ก็ยิ่งยิ่งเห็นตัวตัวออกไปเกี่ยวข้องชัดขึ้นทุกทีทุกทีเหมือนกับน้ํามันแห้งลงไปเท่าไหร่ก็เห็นตัวกาชัดขึ้นทุกทีทุกทีการพิจารณาเห็นสภาพทั้งหลายทั้งภายนอกภายในกายนี้ เสโลที่กำมังตัวชัดเข้าตาลมันก็ปฏิเหตุไปเห็นจิตที่มีที่อาศัยที่เกิดที่เป็นตัวการสำคัญชักขึ้นชัดขึ้นนะฮะกระล่อมเข้าไปเองความลึกของจิตมันก็แคบเข้าไปความกังวลของใจก็มีน้อยกระแสของใจของที่ส่งออกไปของแคบเราก็เพิ่มตัวไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็พิจารณาเรื่องนั้นด้วยพิจารณา ความครบคร้วนของจิตที่ออกไปแสดงตัวด้วยมันก็เห็นทั้ง 2 หน่วยมันรู้เหตุนุขผลกันทั้ง 2 ด้านคือด้านที่ไปเกี่ยวข้องสิ่งที่ถูกเกี่ยวข้องนั้นน่ะและผู้ไปเกี่ยวข้องนั้นน่ะขยับตัวจะทิ้งมาเข้าไปถึงตัววิฐานจริงโดยมากนักปฏิบัติถ้าไม่มีครูอาจารย์คอยแนะไว้ก่อนแล้วจะต้องไปถือเอาตัวนั้นแหละว่าเป็นตัวจริง ความคิดทุกสิ่งทุกอย่างดึกิณานั้นเป็นความทับในจิตใจว่าเรารู้เท่านั้นพอวางไปหมดไม่มีสิ่งใดรู้ผู้ที่รู้สิ่งทั้งหลายนั้นคืออะไรนั่นทีนี้ก็ไปสังวรอันนั้นไว้นี่ที่ว่าเป็นอวิชชาที่อวิชชารวมตัวแล้วเนาะกล่าวว่าเป็นตัวกั้นสติธรรมะลงอยู่นั้น คืออริยฌานก็คือหลงตัวเองเนี่ยส่วนที่หลงสิ่งภายนอกแล้วมันเป็นกิ่งก้านไม่ใช่เป็นเรื่องของวิชานแค่จริงพอหลงอันนี้เองพระหลวงผู้ที่รู้จริงทั้งหลายเนี่ยพวกนี้เป็นอะไรลืมวิชาวิจารณ์จ้ะเพราะจิตมากมีวงแคบเข้ามาแล้วจะต้องรวมจิตตัวเองจิตของจิตที่จะ ที่ตากดตัวอยู่เวลานั้นจะเป็นสติดีที่ผ่องใสมีความยินยินเปรียบสายมีความม่วงอกอาหารความสุขก็รู้สึกว่าจะรวมตัวอยู่ที่นั่นหมดสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมันมันเป็นผลของอะไรถ้าจะพูดว่าเป็นผลอย่างเป็นผลดู เนี่ยเราจะพูดว่าเป็นผลของปฏิปทาเครื่องดําเนินก็ถูกถ้าหากว่าเราไม่หลงอันนี้นะถ้าเรายังหลงอยู่มันมันก็ยังเป็นสมุทัยนี่แหละที่ติดของสมุทัยจริงๆแต่ถ้านักปฏิบัติผู้มีความสนใจพิจารณาต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่สมัยแล้วก็ยังไงผลไม่ได้ต้องสนใจเค้าพิจารณาถึงมัน ถ้าถึงตัวอย่างแล้วก็เคยพิจารณาแล้วเคยรู้เรื่องก็แล้วมันก็ไม่สัมผัสจะยกจิตออกไปพิจารณาอะไรมันก็ไม่สัมผัสยืนพอตัวแล้วสิ่งที่สัมผัสมันก็เป็นอย่างที่สนใจนั่นน่ะสนใจในจิตอาการที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากนั้นจิตที่ปรุงขึ้นมามันก็ปรุงขึ้นจากนั้นสุขที่ปรากฏขึ้นมามันก็มันก็ปรากฏอยู่ที่นั่นแล้วที่มีความสุขที่มันปรากฏขึ้นมามันก็มีอาการเปลี่ยนแปลงให้เห็น มีก็ควรเห็นให้พิจารณาอีกเพราะในคำนั้นเป็นขั้นที่สังเกตมากความสุขมันก็ไม่แน่นอนความสุขที่ติดคือจากจากอวิชชาอังสาวิชามันไม่แน่เหมือนกันบางทีก็มีอาการเฉาๆบ้างไม่ได้น้อยๆพอให้ทราบว่ามันแสดงอาการเนาะไม่สม่ำเสมอมันค่อยมันค่อยเปลี่ยนตัวเองอยู่อย่างนั้นตามขั้นอย่างธรรมที่เล็กๆ จึงเป็นจุดที่จะนอนใจแม้ว่าผู้ปฏิบัติมาด้วยความเข้มแข็งอยู่ด้วยความสนใจอย่างยิ่งแต่จะมานอนใจในจุดนี้หากว่ามีผู้ให้อธิบายให้สาบไว้ลงหนักเพียงไรก็หากถึงจะนอนใจก็ยังผลมันไว้ที่จะสาบเหมือนกันถ้าใช้ความสนใจพอมีเท่านั้นเป็นสิ่งที่ดูดดึงจิตใจ เนี่ยแค่ดูดื่มเป็นเอกให้พอใจทั้งคิดการพิจารณาทั้งพอใจในสิ่งที่ปรากฏนั่นการที่กล่าวกับผมพิจารณามามันเป็นอย่างนั้นมันทําให้ให้งงเหมือนกันจนไม่ทราบว่าอะไรเป็นอภิชฌาก็เลยเข้าใจว่าอันนี้ล่ะที่จะเป็นนิพพานก็คืออันนี้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 ความสงวนความรักความสงวนนั้นมันก็เป็นภาระของจิตอยู่ดีในเวลานั้นเราไม่ฉับถึงกว่าว่าจะสมควรเกิดการแล้วก็เกิดความสนใจขึ้นจะพิจารณาในในจุดที่ว่านี่มันเป็นมันมันคืออะไรนานทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ค่อยพิจารณามาแต่สิ่งนี้มันคืออะไรอืมจิตกระจอกเข้าไปตรงนั้น ปัญญาก็สอดส่องเข้าไปนี่มันมันคืออะไรแน่นะอันนี้มันเป็นความจริงแน่หรือยังไม่จริงอันนี้เป็นวิชชาหรือเป็นอวิชชาหรือมันเป็นข้อสงสัยทั้งนั้นน่ะแต่อาศัยการพิจารณาพิจารณาไปตามที่ว่านี้ทําไมมันถึงอย่างมันทําไมมันจึงทั้งนั้น ว่าเป็นของที่จริงแล้วอาตมาจะต้องสงวนกันอาตมาจะต้องรักษากันความรักษานี่มันก็เป็นภาระถ้าอย่างนั้นอันนี้มันก็ต้องมันก็ต้องเป็นภัยอันหนึ่งสําหรับผู้ที่สงวนผู้ที่รักษานี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่น่าไว้ใจทั้งท่านที่ก็ไม่ทราบนะว่ามานั่นคืออะไรเป็นวิชาจริงมั้ย ก็พอเราไม่เคยเห็นว่าวิชชาวิชชาจริงกับอวิชชามันต่างกันยังไงเรียกว่าวิมุตติกับสมมุติมันต่างกันยังไงนี่ปัญญามันก็มีคือกว่าเกิดความสนใจในจุดนั้นคิดในนาทีนั้นอันนี้รู้สึกว่าพิสดารมาก <c oughs> ตามที่พิจารณามานี้ยอดยอดมาเฉพาะที่ผมเห็นในความกรรมโอกาสอันควรมันจะลุกขึ้นมาเดียวอืมว่าอันใดที่มีความปรากฏตัวขึ้นมา ให้พิจารณานั้นสิ่งที่ปรากฏตัวขึ้นมานั้นเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นไม่หมายที่ธรรมอะไรปรากฏที่ใดแม้แต่จิตจิตที่มีความสว่างสไหวอยู่นั้นนั่นแลคือจิตอนิจจาแค่กําหนดลงไปที่นั้นเป็นปัญญา สภาวะธรรมทั่วๆไปนั้นเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งอันหนึ่งชั้นใดธรรมชาตินี้ก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเท่านั้นเราก็ถือว่าเป็นเราเป็นของเรามันก็ไม่ได้แต่ความสงวนนี้แสดงว่าเราถือว่าเป็นเราเป็นของเราถ้าอย่างนั้นมันก็ผิดทางอันดาลมันสอดเข้าไปอันนี้เป็นอะไรแน่ๆเหมือนกับว่าเราย้อนมาดูตัวของเรา เรามองออกไปข้างนอกเราไปเห็นดินฟ้าอากาศก็เห็นมีอะไรมาผ่านทางสายตาเราก็เห็นแต่เมื่อเราไม่มองมาอยู่ตัวของเราเราก็ไม่เห็นตัวของเราปัญญาครั้งนี้เป็นปัญญาปัญญาที่ย้อนกลับเข้ามาดูจุดสุดท้ายนี้ว่าบารึกสุดท้ายพอปัญญาเข้าสวนดูการพิจารณาก็เหมือนกับพิจารณาสิ่งอื่นคือไม่พิจารณาก็ถือเอาพิจารณาก็ให้รู้สึกถึงตามความจริงของมันที่ปรากฏ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 ที่ทํางานของตัวเองแล้วมันพลิกขนาดมันพลิกพรอมลงไปแล้วหายไปเลยพอนี้หายไปแล้วเราถึงจะทราบว่านี่คือวิชชานี่พออันท้อยก็เห็นว่าอันนี้หายไปแล้วมันไม่มีอะไรที่จะเป็นปรากฏขึ้นมา ท่านตัวสมมุติจริงๆแล้วอยู่มันไม่เป็นอย่างนี้มันเป็นเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่แม้จะไม่เคยเห็นแต่จะปรากฏเพียงขนาดนั้นมันก็ไม่เป็นมันไม่มีอะไรเป็นหน้าสงสาร มันมันภาระมันถึงคำว่าเราก็หมายอันนี้เองหมายที่อันนี้ยังตั้งอยู่พิจารณาอะไรก็พิจารณาเพื่ออันนี้หรือคําว่ารู้ก็ว่าเราตัวนี้รู้คําว่าสว่างก็เราสว่างคําว่าเบาก็ว่าเราเบาคําว่าสุขก็ว่าเราสุขคําว่าเราว่าเราก็คือหมายถึงตัวนี้เองนี่ตัวตัวที่ว่าตัววิชาแท้ธรรมอะไรก็เพื่ออันนี้ทั้งนั้น พอนี้สลายไปแล้วไม่มีเพื่ออะไรหมดถ้าจะเปรียบรูปหนาก็เหมือนกับก้นหม้อที่ถูกทําลายไปแล้วแม้จะเคล้าลงไปมากเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรตะขังอยู่สิ่งสิ่งอย่างที่ปลุมขึ้นมาตามธรรมชาติของขันธ์มันก็ปลุมขึ้นมาแต่มันไม่มีที่เกิดพรสภาวนานั้นมันดับมันสลายไปแล้วไม่มีอะไร ดุ้งกับพอปรุงพับดับมันก็ผ่านไปกรรมนาหาไปหายไปไม่มีภิกขะไม่มีใครเป็นเจ้าของธรรมชาติที่รู้สึกตัวเองว่าไม่มีอะไรเป็นเจ้าของนั้นน่ะก็เป็นความพอตัวของธรรมชาตินั่นเองนั่นจึงเป็นธรรมชาติพอตัวและหมดภาระที่จะระมัดระวังรักษา กรรมพันธุ์โดยกายตัวอันนี้เองที่ปกติธรรมชาติอยู่จึงไม่เห็นภมรสัจจังในหลักธรรมชาติของจิตอันแท้จริงแต่เรามาเห็นอันนี้ว่าเป็นของอัศจรรย์ทีนี้จึงมารักมาหวงห่มห่อหุ้มไว้มาเข้าใจว่าเป็นเราเป็นของเราคิดเราสว่างสวยกินเรามีความอยากอาหารกินเราเป็นสุขกินเรานี้รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ธรรมชาติอันนี้ไม่รู้ตัวเองน่ะท่านเรียกว่าอวิชชาแท้พอกลับมารู้อันนี้อันนี้มันสลายไปพอรู้แล้วอันนี้ครั้งอยู่มานานก็สลายไปพอนี้สลายไปก็เหมือนเราเปิดผาหมอขึ้นมานั่นเองมีอะไรอยู่นั้นเราเห็นหมดอันนี้เท่านั้นน่ะปิดเลยความจริงที่เป็นความจริงพิเศษจากสัจจะคือทุกสมุทรแห่งรมณ์ก็คือความบริสุทธิ์นี้ เป็นความจริงที่นอกจากสัจจะทั้ง 4 สัจจะทั้ง 4 นี้มัน 2 สัจจะนึงก็เป็นฝ่ายผูกมัด 2 สัจจะนึงก็เป็นฝ่ายแก้ปลายดับดับไผ่ผูกก็ผูกอะไรก็คือผูกจิตดวงมือสุดนี้คือมาปกคุมไว้แก้ก็คือว่าเปิดออกปฏิบัติที่ปกคุมน่ะให้ได้เห็นความมือสุดตามความจริงของตัว ผมคิดไม่ถึงอย่างนั้นแล้วทั้งสัตตะทั้ง 2 คือทุกสมุทรนี้มันปิดเหมือนกับฝาหม้อปิดหม้อไว้มีเราอยู่ในนั้นก็ไม่เห็นมรรคคือข้อปฏิบัติเปิดอ่ะหม้อนี้ลอยปลุกขึ้นมา ก็เห็นสิ่งที่อยู่ในหม้อนั้นครับก็เป็นอะไรเขามันสิเป็นของมีดั้งเดิมก็ตามแต่แต่ถูกทั้งสองนี้ปิดและถูกสัสสะที่เป็นฝาแจ้ทั้งสองนั้นอีกเปิดขึ้นมาเนี่ยเปิดก็เปิดให้อันนี้ผูกก็ผูกอันนี้เป็นง่ายๆพอเปิดขึ้นมาแล้วมันก็หมดปัญหาเป็น อย่างสังขารทั้งสองนี้เป็นถ้าว่าเป็นอันนั้นก็เรียกว่าเป็นปฏิกิริยาอันหนึ่งอันหนึ่งมันเป็นสมมุติเหมือนกันมรรคก็เป็นสมมุตินิโรธะก็เป็นสมมุติพอทําหน้าที่เสร็จแล้วก็ก็ผ่านไปทุกข์ก็เป็นไทยก็เป็นสมมุติ ภูมิทั้ง 2 แก่สมมุติทั้ง 2 นี้เลยแล้วธรรมชาตินั้นมันก็เป็นอธรรมชาติตายตัวที่เรียกว่าวิมุตติสิ่งที่เห็นนั้นคือเปิดให้เห็นวิมุตติคือความบริสุทธิ์โดยหลักธรรมชาติเนี่ยภาระหมดทั้งหมดของนี้ไม่มีอะไรความบริสุทธิ์นั้นไม่เสร็จสรรค์ปั้นโดยตัวเองส่วนภายนอกมันยังไกลเป็นโลกธรรมนอก เกี่ยวกับสิ่งภายนอกโลกธรรมนายหมายถึงความมาดีมาชั่วมาสุขกับทุกข์ภายในตัวเองก็หมดปัญหาไปกับปัจจุบันนี้ฉะหน่อยครูจะนำมาถึงขั้นนี้ไม่กว้างในอุบายจากครูอาจารย์ที่ผู้ที่ท่านเคยรู้เคยเห็นได้ผ่านไปอธิบายครั้ง ก็ไปได้อย่างนั้นเดียวแต่สําคัญจะไปคาดคันนี้ความคาดคันนี้ไม่ใช่ทางอะไรปรากฏในความรู้สึกก็พิจารณาจิตนั้นสิ่งที่ปรากฏนั้นเป็นนําหนักนําหนักถ้าเข้าใจกันไปเรื่อยๆนี่เป็นทางที่ถูกและอภิธรรมคือหมายทั้งนั้นนี่เองเป็นอภิธรรมแท้ตรงนั้นก็ปิดการฝ่าคล้ายเหมือนกับเถาวัลย์เนี่ยมันเกิดขึ้นที่นี่ ร่วงไปที่ไหนไม่ทราบมันดาวเท่าไหร่มันก็ร่วงไปร่วงไปร่วงไปเวลากลับถูกแล้วก็ตามเข้ามาทางเข้ามามันก็ลงมากี่เดือนอําต้นมันอยู่ที่นี่รากมันอยู่ที่นี่พอถอนรากมันขึ้นแล้วมันก็ตายไปด้วยกันหมดมันกินก้านสาขาวิชามันจึงกว้างขวางมากมายเราทิ้งอวิชชากินไปไม่รู้ว่าอะไรเป็นอวิชชาอืม ก็พิจารณาเรื่องของปัญญามันก็พิจารณาเข้าไปนี่จะไม่รู้ว่านี่คือวิชาก็ตามแต่การพิจารณานั้นมันถูกทางแล้วมันก็เปิดขึ้นเองเช่นเดียวกับเรารับทานเขาเองก็แสดงขึ้นมาให้เห็นครับชั้นลําดับนั้นนี่นี่มันกลับอันนี้สรุปทั้งทั้งอภิธรรม เป็นุปฏิพพหรือกรรมภพมันก็เป็นเรื่องของมัฏฐะจากอันเดียวที่พระอาจารย์พูดนั้นถูกต้องมันห่อกอภพกอชาติภายในตัวเองอยู่อย่างนั้นเพียงของติดไปอยู่เฉยๆไม่ได้มีแต่เรื่องกอภพกอชาติทั้งนั้นทํางานสั่งสมเพื่อตัวเองแต่โดยมากก็สั่งสมเพื่อทาง กดท่วงตัวเองลงเนี่ยกําลายคงกํากรรมกับมาถึงทําลายตัวนี้พรหมนาตัวนี้เนี่ยมันก็หมดอะไรต่อที่สิ่งภายนอกที่มาเกี่ยวเคยมาเกี่ยวข้องกับเรานั้นก็เกี่ยวข้องเหมือนธรรมดาผ่านไปผ่านมาไม่ได้ถึงสักมันจะเข้าตั้งบ้านตั้งเรือนไม่ได้มาอยู่อาศัยในจุดนี้เหมือนแต่ก่อนเป็นที่เดินผ่านไปผ่านมาธรรมดาแล้วก็ทราบทัศน์ว่า ผู้ทำนี้ไม่ไม่ได้ติดต่อกับอะไรความติดต่อของธรรมาภาพนี้เราทราบมาเป็นลําดับแล้วที่ก้าวมาถึงขั้นไม่ติดต่อกับอะไรนี้เราก็มาทราบในเรื่องของปกครองท่าต่อไปจะเกิดดีขึ้นไม่นั้นไม่จําเป็นจะคาดคะเนเพราะปัจจุบันนี้บอกอยู่แล้วอย่างชัดเจนมากเมื่อไม่ติดไม่ต่อไม่ก่อพบก่อท่าภัยตัวเองให้เห็นประจักษ์อยู่มันก็มีพบในค่าอะไรจะต่อไปค่อยมา เพราะโรงงานนี้จะถูกทําลายไปแล้วไม่ก่อตัวขึ้นมาไม่ก่ออีกจะตัวเองขึ้นมาเหมือนอย่างที่เคยเป็นไว้มันทําลายโรงงานอันที่ว่าขันล้วนๆก็หมายถึงตอนนี้ขันก็เป็นขันล้วนๆไม่ไม่ไม่เป็นกิเลสถ้าปิดตรงนั้นมันเป็นกิเลสขันก็เป็นกิเลสเป็นแต่เพียงเครื่องมือ ภาวะส่วนใดเป็นกิเลสหำทุกข์หำเป็นกิเลสไปตามตามกันรูปก็เป็นเครื่องเสริมกิเลสให้พอกพูนในใจเวทนาสัญญาสังขารนิยามเป็นกิเลสเครื่องเสริมใจทุกอย่างถ้ากิเลสสุขขันธ์ก็บ่มีสุขตามส่วนของขันธ์ไม่มีอะไรเป็นเป็นกิเลส อ่าติดเป็นวิเลขขันธ์ก็เป็นวิเลขมันยังครับมันเป็นอย่างงั้นกอภพกอชาติคือเรื่องของจิตจิตตัวเองอยู่นั้นมันมีเฉยๆไม่นานลักษณะของจิตที่มีกงกรรมเป็นเจ้าของงานนี้เป็นหัวหน้างานมันจะต้องหมุนตัวอยู่เสมอหมุนไปอะไรครับเพื่อเรื่องของภพของชาติทั้งนั้น เพราะธรรมะธรรมะนั้นมันถลอยลงไปมันก็มีอะไรจะก่อตระรู้ได้อย่างนั้นน่ะที่ที่ท่านรู้ว่าท่านไอ้ต่อไปว่าไม่เกิดอีกแล้วพระพุทธเจ้าท่านอุทานทรงอุทานขึ้นมารู้ในปัจจุบันมันมันไม่มีอะไรจะมาก่อตัว นี้มันก็เป็นผลดีผลหนึ่งนะแต่มันมันไม่มาชนภาพกันให้มาขัดเข้ากันชั่วมันก็เป็นเราก็รู้ชั่วมันก็เป็นอันหนึ่งเสียอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งไปอีกเยอะมันเลยเข้าถึงกันความที่มันเข้าถึงกันมันก็ไม่อยู่ใน บังคับคือมันเป็นธรรมชาตินั่นเองเวลามันวิ่งเข้าถึงกันเราก็ไม่ได้บังคับมันมันทํามีสื่อของมันต่อกันวิ่งถึงกันเองพอมือมันหมดสื่อแล้วมันมันก็ขาดและขาดต่อน้ํามันอีกตามความรู้สึกของกระผมที่ที่มาเอ่อไอนี่มันตัด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 ตัวเองเป็นโลกใหม่ถ้าว่าโลกนะมันเป็นโลกใหม่มันคิดพับคลิกพับอย่างอธิถามันก็ดับตั้งขณะน่ะหึกลับไม่ได้อยู่ในการคาดคะเนไม่อยู่ในความตั้งใจว่าจะคิดมันเป็นขึ้นใหม่ มีเป็นส่วนละเอียดรูปปฏิมาการปฏิบัตินี้ให้มีศาสนานี้ถ้าปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์มันก็มีที่มีเคล็ดลับอีก 2 คือว่าอุปทานของทางกายกับปริติ กายกับจิตเป็นนิเวทานต่อกันตื้อเลือกกับกันนี้เป็นเป็นรับอันกรรมนี้อันนี้เป็นรับ 2 ที่จะทําให้ผู้ปฏิบัติสําคัญจิตได้เพราะฉะนั้นก็นี่มันก็ไม่น่าอัปมุ่นใจให้มี 2 นี้ เมื่อไม่เคยไปทํากันที่วัดบอยท่านสังคมมาปัญหาข้อเนี้ยก็เรื่องนิพพานมันทําให้งงเหมือนกันคือขนาดนั้นจิตมันมันสว่างจนจนตัวเองเกิดความอัตตัญญ์ความสว่างสวายทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นเหตุให้อัตตัญญ์นั้นรู้สึกมารวมตัวอยู่ในนั้นหมด จึงเกิดความอัตตัญในตัวเองเมื่อหมายจิตของเราทําถึงขนาดนี้มองดูกายทั้งกายมันเห็นมันเหมือนอากาศธาตุทั้งหมดว่างไปหมดหมดจิตนี้มีความสว่างสว่างอย่างเต็มที่แต่ก็ได้พะมันพอพอเกิดความอัตตัญตัวเองในเวลานั้นด้วยความหลงไม่รู้สึกตัวเนี่ยพอพูดถึงธรรมะส่วนใหญ่มันเป็นความหลงอัน ขออภัยกันเพราะทําไมจิตของเราถึงเป็นในขนาดนี้เพราะว่างั้นก็มีธรรมะบังดาลขึ้นมาอันนี้ก็มาทางฝันเหมือนกันพูดขึ้นมาเหมือนกับมีคนพูดอยู่ภายในเนี่ยแต่ไม่ใช่คนพูดพูดขึ้นมาเป็นเป็นบทเป็นบทนี่คํานี้จิตนี้ปั่นแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวครบหมาย แต่ธรรมชาตินั้นมันเป็นจุดจริงๆจุดของความลูบจุดของความสว่างนั้นมันมีจุดจริงๆที่เราก็มาได้คํานึงว่าอะไรมันเป็นจุดเป็นงงจริงๆอืมเอานะปัญหามาพบคิดเพลกว่าได้เราพิจารณาถึงอ่าปั่นนี้แล้วปั่นที่ว่าจุดนี้อันนี้มันปัญหานี้มันดึกติลงไปถึงได้ย้อนกลับขึ้นไปรู้เรื่องที่ว่าคํา <c oughs> เอ่อคําจุดนั้นมีจุดที่ตรงอยู่ที่ไหนนั่นแหละตัวผมมันถึงมาได้ความอ๋อมาตรงไหนก่อนไม่เข้าใจคุณคิดจริงๆศาสดาท่านเชื่อไหนมันก็เป็นจุดของความอภิธรรมมันเป็นจุดให้รู้อยู่พอนั้นมันสลายลงไปแล้วมันไม่มีจุดพอเกิดมันเป็นสมมุติทั้งนั้น แล้วอยากแค่ไหนมันก็เป็นสมมุติทางปุคนี้จะเกิดความหมูเสมอว่ามันคงมันก็บ่ขึ้นอย่างกับกระโหนนะครับมันได้สมนั้นจะพิจารณาไปเมื่อที่สุดก็จิตถ้าสักศีลหายในโจกรรมปินังจริงก็ให้ขออธิษฐานไปอะไรจะรับรู้ว่าเบิ่ดคือถ้ามันรู้ โลกะจิตผ่าแล้วมันก็มีอะไรจะรับรู้ว่าตัวมันคือก็ขอให้รู้กันอย่าได้สงสัยอะไรเลยขอเพื่อว่ากรรมะสงบคอยจัดการไว้เปล่าคอยจะมาทําอะไรนี่ภาวะไม่ไม่ลงขณะนั้นน่าจะน่าจะต้องติดขอให้รู้เท่านั้นอะไรจะสนับไปก็ดับลงไม่ได้สุขติดติดตรงนี้กับกันดับไปเลยโดยอํานาจของตาพิจารณาก็ขอให้ดับไปได้ทีไม่ต้องสงวนอะไรเวลาพิจารณาต้องลงถึงขณะนั้น ใครก็หนีความจริงไปไปไม่พ้นสิ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นนั้นก็ต้องดับสิ่งใดที่กินเป็นธรรมชาตของตัวเองนั้นก็จะมันดับคิดถึงตัวเองถึงทําไมทุกสิ่งทุกอย่างดับไปผู้รู้ดับมันไม่ดับน่ะพอดับไปอันนั้นดับไปผู้ที่รู้ว่าสิ่งนั้นดับไปมันไม่ดับมันนั่นน่ะ คือตัวอ้ายก็ก็ได้ว่าแม้อ้ายก็มันก็รู้อยู่ดีว่ามันยังไงถ้าว่าจํานวนมันมันได้ถ้าว่าจํานวนนี่ก็เท่ากับละจํานวนอนุกาลข้อระกาลอันนั้นละเอียดมันอยู่กับจิตถ้าจํานวนจิตก็เท่ากับจํานวนอนุกาลถ้าจิตก็คือหาในการก็ขอหากันถ้าว่าปุมาเหมือนอย่างฟันก็ฟันไปเลยมันเลยว่า คนหน่วยนึงก็ต้องกันหมดขนาดนั้นพอดีถ้าจะมีการแบ่งสูตรแบ่งรับกันยังไงก็ต้องติดในในในพันนี้นะไม่ยอมแบ่งสูตรแบ่งรับเลยครับเปิดก็ให้หมดหรือว่าจะดับอ้าวให้ดับทั้งหมดนะพอดีส่วนที่ไม่ดับยังไงก็ไม่ดับถึงจะว่าว่าไม่ดับครับแต่คือว่าอืม <C ue k> พอพอว่าเมื่อว่าตอนมันเข้าไปอยู่ในบ้านนี้ถ้าจะเผาต้นบ้านนี้ก็ตัวมันก็อยู่ที่นั่นเดี๋ยวก็ยืมปั้งมาตาลเอาก่อนจะเผาทั้งบ้านก็เผาเยอะพอจนถ้าว่าจะปล่อยตัวพวกนี้ไว้มันจะทําลายของสิ่งที่มีคุณค่ามากก็เลยยืมกับบ้านหลังนี้เอายอมเสียสละกับบ้านหลังนี้ไปเผาเอาไปนี่นี่เนี่ยที่เอาไว้ใคร <c oughs> <c oughs> เขาจะตลกมันอุตส่าห์เราก็หาดับไว้อีกแค่ 99 ไม่ดับครับเขาเขานั้นหมดถึงจะรู้อ๋อคือมันมีคุณค่ามันถูกตามหน้าของมีทางมันเข้ากันพอราคาดับกระทบอันนี้เปิดแทนที่จะดับไปด้วยมันไม่ดับอ่าสมมุติว่าเป็นอนัตติผ่านมาหลอดก็ผมก็คือเป็นมาเป็นอย่างนั้นคือตอนนี้เป็นตอนที่พ่อแม่ครูอาจารย์แกท่านเขียวไปแล้ว ผมรู้สึกว่าโอ้ก้นกบมันหมุนอยู่กับมือตัวแม่น่ะไม่ติดอยู่กับใครไม่ได้มันไม่สะดวกมันสบายมันไม่สนุกด้วยกันนะอย่างที่กระผมประกาศเรื่องนั้นมันหมุนจริงๆปิดถึงข้างหมุนๆมันมีเวลารับยังแต่ว่าให้ถือว่าในขณะนั้นมันมันหมุนเป็นธรรมดามันมันมันจะเป็นวัฏจักรคือมันหมุนค่อยกระต่าตัวเองมันหมุนหมุน <c oughs> ครับนะอืมพอถึงทํางานเต็มที่มันแล้วมันก็อยู่ได้แล้วมันเกิดความลังความอืมที่จะนอนไปก็ได้ไว้เดี๋ยวก็ไปทําที่พลังงานจักรเล็กน้อยขอลงไปให้ได้ถึงมีเวลาเอามากมายแล้วมันมีวันมีคืนด้วยทําให้ตัวหนังนี้มันเกิดความรําคาญสําคัญเหมือนกันทั้งๆที่รําคาญนั้นน่ะมันก็ไม่ถอนมันเป็นอย่างนี้อยู่ต่อหน้าสถานนั้นอืม บนเรือนานของอาอ่าเขาก็ว่าเราเอ่อคุยเถียงหาถึงอ่าที่มันยังไม่เห็นหรือว่าอะไรมันมันเกี่ยวข้องกับไหนมันคุยเถียงกันมันพอสัมภาษณ์ทั้งทัพว่ากลับตามเลยทีพอเขาสัมภาษณ์อันนี้ผ่านไปหาป่าอ่าคนอีกมันเป็นอย่างนั้นนูกล่าวว่าทางการใดนั้น อยู่ในตอนนั้นเขาก็เรียนอยู่ในศรหมู่ล้วนนั่นคือผมมาฝันอย่างต้นที่มีการก็หมู่ล้วนเอาไปยังไงถึงได้ถึงการเข้าวันนี้ไม่สามารถจะเข้าหมู่ล้วนได้เพราะเข้าใจว่าองค์ไหนก็สามารถแล้วจะพาไปเท่านี้หมู่ความสามารถจะเข้าอีกหน่อยแล้วเพราะฉะนั้นก็ก็ให้หมู่พวกลงใจเพราะฉะนั้นเมื่อเทื่อบางกันจริงไม่ยอมอัดเทิดเพราะเรื่องกับเทื่ออย่างนี้เอาลงไปอย่างต้นที่ พยายามครับพอเธอร้ายหายมะเร็งฟังกันกันจะพอมันพูดมันก็อื่นที่ยังไม่เข้าใจคําวงของเรื่องอะไรเราจะหาว่าอวดดีกว่าดีอะไรแต่มันแค่จริงว่าพูดเพื่อเป็นกําลังใจของลูกผิดว่าอ้าต้องเป็นอย่างนี้แน่อ้าวค่าต้องเป็นอย่างนี้นี่นะของมันน่ะพุ่นเอาลงไปไม่ผิดก็ค่าเป็นมันมันก็เป็นการประกันเพื่อให้ลูกผิดไม่มีแต่ใจนึงตัวลําพังอันนี้คนอื่นที่เขาไม่เคยทราบเรื่องเราก็ก็ตัวหาเราอวดเราเลย การที่เขาจะเป็นประโยชน์ก็จะเป็นโทษอ่ะถ้าพอเราไม่เป็นโทษเค้าก็อาจจะเป็นระวังครับบางบางครั้งมีบางราษฎรที่ควรจะพูดให้ถึงถึงฐานทุนก็พูดในนั้นผู้นั้นก็ไม่ถ้าเป็นที่ลงช้างแล้วต้องมุมลงดําเป็นทีถ้าถ้าก็เปิดรับกันเลยอ่ะถึงไหนถึงกันไม่มีอะไรเหลือก็ต่างกันเปิดเลยฉะนั้นผมแต่มันก็มีเป็นบางฐานมันจะมีเรื่อยๆนะ <c oughs> ถ้าเกิดการที่ควรจะเป็นการแสดงมันก็เป็นเลยพอยอมขนาดนั้นแล้วคนอื่นมาฟังเค้าก็ถามว่าบ้าแล้วพระถีบบ้างแล้วก็ว่าอืมคือมันก็การมันเหมือนกันอยู่ในตัวอะไรอ่ะคือมีแต่คิดนึกอยู่นึกไปอยู่อยู่อยู่คำน่ะคงคืออืมถ้าถ้าก็มานี่มานี่มานี่อย่างนั้นน่ะมานี่มานี่อยู่แต่ถ้าก็อย่างงั้นเอาคงนี่มาคงให้มาตรงนี้ว่ะเออตอบเองนะที่อะไร เอ่อผมมันคือมารักใช่มั้ยเป็นยัดกราบยืนยัดถึงตอนนี้นอกนั้นมันก็ก็พากันคือไม่ยอมให้อัดขึ้นเลยอ๋อมันมันทําให้ทั่วไปคือบางหลายที่ก่อนจะเปิดนั้นมันทําจําเป็นอย่างนี้มันวังมันไม่อยู่เลยมันต้องผังเลยอันนี้มันได้เกิดการคือเราก็ไม่ทําไว้คือการทั้งคนจะเป็นมันเป็นจริงๆ นี่ก็ของเอ่ยไปฟังเนี่ยเราแม้ว่ากันน่ะถ้าท่านลงขณะนั้นแหละมันถึงใจสามวันเนี่ยถ้ากับใบไม้ไม่ไหวจริงเลยเนี่ยในความรู้สึกอํานาจของธรรมะนั้นครอบเนาะผู้ฟังก็ตั้งใจอย่างเต็มที่ผู้แค่จะแค่ตั้งใจอย่างเต็มที่นี่มันรับกันเกิดมาผ่านมาทั้ง 3 วันถ้ากับใบไม้ไม่ไหวจริงเลยเงียบหมดอํานาจธรรมนั้นแต่อํานาจ มีหน้ามีหน้านี่ครับเรียนอาจารย์ก็ไม่เห็นเค้าชื่อคนตาบอดดูนี่คือจําไม่ได้มีหน้าโอ้น่าสงสัยเหมือนกันอันนี้อยู่ที่ไหนถ้าไม่ได้กลับถ้าจํามั่นแล้วนอนไม่ได้อยู่ที่ไหนก็เหมือนกันไม่สุดจะเดินนึกคงก็ต้องหันหน้าไปซะก่อนว่ามันจะมีอะไรเป็นที่หมายในเรื่องสมมุติก็เอารูปข้างนั้น เอามาเรียนเลยก็เอาคุณธรรมของท่านประกอบส่วนถึงประมุขน้อมนมัสการไปเอาคุณงามทําไม่มีวันที่กําประหนึ่งว่าท่านมาเลยร่วมรับไปธรรมะอันหนึ่งเป็นอย่างนั้นเหมือนกับดูเราอยู่กับเวลาบรรดาพระ 3 องค์ท่านเห็นหลักความจริงก็ก็พึงเข้าซึ่งยินยอมมาพึงเข้า คือยอมรับความจริงไม่ยอมในรูปในนามอะไรยอมทําหลักความจริงว่าเป็นเหมือนกันเนาะที่มันอยู่วันติดตังค์ถึงจะอยู่ใกล้อยู่ไกลแล้วมันไม่มีอะไรติดตังค์เพราะความจริงเหมือนกันอย่างนิพพานไปแล้ว okay, 2,500 กว่านี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรกับความจริงนั้นนอกจากเป็นการสมมุตินิยมของในลําเวลาไปทั้งนั้นนี้ของธาตุขันธ์ไปสําหรับความจริงนั้นไม่เคลื่อนที่ เป็นผู้บริสุทธิ์ฉะนั้นทั้งที่ทรงชีวิตมีชีวิตอยู่แล้วมีการตายก็คือความบริสุทธิ์เป็นบริสุทธิ์นะอันนี้เป็นความจริงอันตรายตัวผู้ที่รู้ในหลักความจริงก็ย่อมเชื่อในหลักความจริงนะฮะหางําไม่ยอมเอาอะไรมาเลยนะน่ะถึงค่ําที่ควรจะสังหารแล้วฮะสังหารให้หมดเลยไม่ยอมเข้าหัวอะไรทั้งนั้นฉันเตือนให้รู้ทั้งหมด อะไรปรากฏขึ้นมาทุกรูปความปรากฏนั้นน่ะเป็นทางเดินของการพิจารณาถ้าไม่ปรากฏขึ้นมาชาวจะพิจารณาอะไรดีเกิดขึ้นเพราะอามันรู้ทุกข์เกิดขึ้นสุขทุกข์เกิดขึ้นพระอาจารย์ทั้งนั้นมันเกิดที่นี่กําหนดตามให้รู้หมดเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่จะเกิดดับนี่แหละเป็นสิ่งที่เราให้หลงอยู่มีอันนี้เท่านั้นสิ่งที่เกิดดับเนี่ยหลอกให้หลงต่อไปนี้มันมีอะไรหรอ เราก็ถือว่าเป็นตัวเป็นตัวอย่างที่โครงการว่าอย่างนี้มันวัดกับธนาคารปิดดงเยอะมากมันออกมาเป็นตัวเป็นตัวจริงๆอือนะต้องรับใบไม้ไม่รองรับพุ่มไม้กับพุ่มมันมันโกหกเราได้เลยโกหกต่อหน้าต่อตาก็คือเรื่องของเราโกหกเราเลยคืนเค้าก็มาโกหกมันยังมีเป็นบางครั้งบางคราวไอ้ตัวอีโก้ตัวทั้งบันมุมแหนหน้าสดตรงนี้ก็ทําโกหกตัวเอง แต่ทั้งนั้นมันก็มันก็หมดภัยก็มีอะไรมาหลอกอะไรก็จริงใบหมอลูกเหยียงกินรถเครื่องทั้งผัดไม่เข้าว่าเป็นอะไรเป็นมามาหลอกมันไม่หลอกตัวเองไปหลอกทั้งหมดพอเห็นนี่พรรคพอนี่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยตั้งขึ้นไปแล้วไปอยู่เป็นภาพไปแล้วแล้วอารมณ์ตัวเองจะมาหลอกตัวอื่นๆนั้นแล้วนักกราบว่าหาไปไหนไม่รู้ถึงไปเห็นสิ่งนี้ไปเห็นเหตุการณ์นั้นงั้นเราก็ผ่านไปแล้วไม่ใช่ว่าเหตุการณ์นั้นมันหาได้ ไอ้เรื่องที่มโนภาพที่มันมากมโนในจิตมันไม่หายอันนี้มันหลอกหลอกผู้ทอดเวลาเนี่ยถ้าม้าก็ว่าพอไประงูกระโดดให้กันตัวลอยพอหันหน้ามานี่ก็งูมันก็หาทุ่งทับถ้ามันยังมาหามันจะโดดอีกอืมเป็นพอมาดูอ่องเนาะมันคั่นไม้นี่เหมือนคั่นที่นาอะไรมันรู้อ๋อมันอันนั้นอันนั้นมันก็หาทุ่งทับมันรู้ภายงานของอ่องมันอันนี้มันก็หา เพียงมันไม่รู้ว่ามันจะตื่นเต็มความตื่นเต็มของจิตไม่มีเมืองพอนอกจากจะเอาธรรมไประงับไม่มีเวลาจะระงับได้หรอกลุงมรรคใครควรน่ะมีก็เลยเข้าไปควายมีทางออกขึ้นบ้างคือติดเงื่อนเหมือนภูเขาทั้งโลกเนี่ยก็ไปได้ทางด้วยกําลังของการพิจารณา พอกลองนั่งทุกนานครับบรรยากาศมันครอบจักจะมันขึ้นพอเห็นกระผมนับเป็นพับผมก็ดับไปพับนับก็เป็นระยะระยะระยะเหมือนต้นไปนั่นก่อนพอถึงที่นั้นแล้วขึ้นจะถอนทีเดียวขึ้นได้อย่างทั่วทีมันก็หมายถึงอุปทานนั้นเป็นขณะเดียวขึ้นเกี่ยวข้องหมดเลยตั้งแต่นั้นก็หมดปัญหาไม่มีอะไรอีกต่อ